วันนี้เป็นวันที่สิบสามพฤษจิกายนพุทธศักราชสองพันห้าร้อยห้าสิบสี่วันนี้เป็นวันเดือนสิบสองเพนวันสิ้นปีแต่วันนี้ทางอำเภอสมเด็จจังหวัดกาลสินนิมณ์หลวงพ่อนะนมณ์หลวงพ่อไปกาลสินวันนี้แต่หลวงพ่อบอกว่าอ้เหนื่อย มาจากจังหวัดภูเก็ตแล้วรู้สึกว่าถ่าขันไม่ปกติมันลักษณะจะเป็นหวัดอ่าท่าว่าเครื่องทารถไม่เข้าอู่เอาไว้เอาไว้นะอ่ามีแต่วิ่งก็บวิ่งเน่ยคงจะไม่ไหวและช่ ว, ชวงเนี่ยพอรู้สึกว่ามันมันลวนล่ะมั้กันเลเครื่องรถเครื่องรถมันลวนล่ะอ่มันต้องพักเข้าอู่ ชักชัวระยะหนึ่งให้มันฟื้นซะก่อนเนี่ยค่อยจะทำงานเดินต่อไปได้ถ้าหากว่าไม่พักฟื้นถลําไปเรื่อยคงไม่ไหวแหละก็เลยบอกไปทางจังหวัดกระสินอำเภอสมเด็จบอกให้หมู่พระกูบายจารนบอกว่าบอกเจ้าภาพเลยเนาะหลวงพ่อถ้าจะไปคงไม่ไหวพอหลวงพ่อไปตั้งแต่วันที่สี่ ออกจากวัดตั้งแต่วันที่สามบินลงไปไปพักพักค้างที่แถวไปลงที่กรุงเทพสวนนภูมิแล้วก็ไปสะเสิงเซาไปดูโรงทานโรงทานที่เราไปตั้งโรงทานแจ ก, กอาหารแก่พี่น้องประชาชนชาวกรุงเทพที่น้าท่วมแถวน้ำท่วม ล้วไปดูโรงทานจากนั้นก็ไปสนับสนุนโรงทานเจ็ดแล้วก็ลงไปภูเก็ตลงไปภูเก็ตก็ไปอยู่หลายวันไปทำกิจกรรมอยู่ทั้งภูเก็ตจากนั้นก็บินขึ้นมาอุบลอีกแล้วก็มาเทศมาแสดงธรรม ท, ที่งานเขาจะวางศิลาฤกษ์จังหวัดยะโสธร จะกนั้นมากราบหลวงปู่จามมาพักวัดหลวงปู่จามที่เป็นหลวงอาจากนั้นจะได้กลับมาวัดเพราะนั้นไปคราวนี้รู้สึกว่าถ้าเป็นรถก็แปลว่าใช้แบบสบ็อปปิ้งบอมพอสมควระแต่หลวงพ่อไม่ใช่เป็นพระน้อยพระนมแล้วท่านนีมันจะป่าเข้าเจ็ดสิบแล้ววันนั้น เรื่องธาตุขานร่างกายเนี่ยก็ดูดูแล้วก็ต้องระมัดระวังแต่ถ้าว่ามันป๊กตักใจขาดตายไปเดียวมันก็ไม่มีปัญหาแ่ถ้าไปแล้วเนี่นะเป็นอมเพิกเอ็บเป็นอมาพาดให้พระเนนได้รูดดูแลหามเหไปเหมมานโอหลวงพ่อเองก็ยังคิดเหมือนกันแต่ถึงยังไงก็ มันก็ต้องหนีไม่พ้นท่าเราได้ทำกรรมเอาไว้อิทธิฤทธิ์ก็ไม่เหนือกรรมที่มีอิทธิฤทธิ์เจ้าก็ไม่เหนือกรรมกรรมในเหนือกว่าสิ่งใดทั้งหมดพระพุทธเจ้าทั้งท่านในในชาดกหรือใ น, ในเจริยปิฎกพระพุทธองค์ท่านพูดถึงจริยะคือความประพฤติหรือว่าการเป็นอยู่ของพระพุทธเจ้า เราไปอ่านอ่านดูแล้วก็พระพุทธเจ้าท่านก็ใช้กรรมเหมือนเหมือนกันกรรมคือการกระทำท่านก็ได้ใช้กรรมบางอย่างที่ท่านได้ทำวิบากของกรรมมันยังมีเศษเศษติดติดมาติดมาคือร่างกายของเราเนี่ยนะมันต้องได้รับวิบากกรรมวิบากกรรมในอดีตที่ได้ทำมาแล้วทุกพบทุกชาติ คนเราไม่ใช่ว่าจะทำแต่กรรมดีอย่างเดียวเกิดมาชาติหนึ่งให้พวกเรานึกดูตัวของพวกเราก็แล้วกันตั้งแต่เกิดมาเนี่ยข้าพเจ้าทาดีมาตลอดอย่างนั้นใช่ไหมคำว่าทาดีคำนี้เนี่ยคือกายกรรมวจีกรรมมนโนกรรมมนโนกรรมคำนี้เนี่ยมันก็ห้ามได้ยากเหมือนกันข้าพเจ้าไม่โกรธไม่เคยโกรธใครเลยไม่เคยคิด พยาบาทอาฆาตใครเลยไม่เคยคิดอิจฉาใครเลยทุกคนคงจะพูดอย่างนั้นไม่ได้มันต้องมีอันนี้ก็คือมโนกรรมการกระทาทางคิดทางใจมันก็เป็นเป็นทวารอีกทางหนึ่งเหมือนกันมโนกรรมกายกรรมกายกรรมเนี่มันหยาบออกมาแล้วแล้วก็จีกรรมก็เป็นส่วนนึ่งอีก พูดเท็จพูดสอยเสียดพูดคำหยาบพูดเพ้อเจอ้อพูดยักยอกเอาทรัพย์สมบัติพูดอะไรมันมีตั้งหลายพูดที่ออกมาจะทำให้คนอื่นเสียหายทำให้คนอื่นเสียทรัพย์ทำคนอื่นทะเลาะกันทำให้คนอื่นฆ่ากันวาจาของเรา็ไม่เชน้อยเหมือนกันทํากรรมทางวาจาในหลักของพุทธศาสนาพระภิกษุขาดจากการเป็นพระ เรื่องวาจานี่ก็มีคืออวดอุตรีมนุษธรรมอันนี้ก็คือทางวาจาทางกายฆ่าขโมยทรัพย์ประพฤติผิดสามีภรรยาแล้วก็ดื่มสุราอันนี้ก็คือกายแต่ใจโลภอยากได้ของเขาพยาบาทเคาปองไร้เขาเห็นผิดจากทํานองคองทำ ว่าเห็นผิดอยากทำนองคลองทำตัวนี้มันกว้างมากเห็นผิดตรงไหนะรุปได้ก็คือมิจฉาทิฐิเห็นผิดเป็นถูกเห็นถูกเป็นผิดเห็นสิ่งที่ดีกับเป็นของเลวเห็นว่าเป็นของเลวกับว่าเป็นของดีอันนี้มันต้องแยกแยะอีกทีนี้ถ้าว่าผู้ที่ไม่ได้ไม่ได้รับการศึกษาไม่ได้รับการอบรม มันจะต้องเป็นไปได้ทั้งนั้นเห็นผิดเป็นถูกเห็นถูกเป็นผิดนถ้าบางทีมันยังผู้ที่รู้เขาแนะนําแล้วยังไม่ฟังอีกต่างหากพอทิฏติตัวนี้มันไม่ใช่ธรรมดาเหมือนกันสรุปแล้วก็คือกรรมคือการกระทําตัวนี้นะทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วนะเขาว่ากรรมตัวนี้อิทธิฤทธิ์ก็ไม่เหนือกรรมกรรมตัวนี้เหนือเหนือกว่าอิทธิฤทธิ์ ทำไมจึงยกอย่างนั้นขึ้นมานยกอย่างที่เห็นได้ชัดก็คือในพระไตรปิฎกท่านยกพระโมกคลาพระโมกค ล, ลาเป็นผู้มีฤทธิ์มีเดชเหาะเหินเดินฟ้าดำดินบินบนไปสู่สวรรค์ไปสู่สู่นรกไปได้ทุกแห่งผลอิทธิฤทธิ์ของพระโมกคลารองจากพระพุทธเจ้าเท่านั้นเองแต่ผลที่สุดถูกโจค่า ถูกโจรฆ่าที่กาละศีลาแขวงกรุงราชจะคืทั้งที่ท่านเป็นผู้มีอิทธิฤทธิ์ทาไมทําไมถึงถูกโจรฆ่าโจรทำไปจะฆ่าท่านเพราะท่านมีอิทธิฤทธิ์เป็นอัครสาวกของพระพุทธเจ้าอัครสาวกข้างซ้ายพระพุทธเจ้าอัครสาวกข้างขวาคือพระสารีบุตรเป็นผู้เลิศ ทางปัญญากว่าภิกษุทั้งหลายที่เป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าพระโมกคลาเป็นผู้เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายในทางฤทธิ์ทางเดชห่อเหินเดินฟ้าเนี่ยคือพระโมกคลาทั้งโมกคลาท่านไปสู่สวรรค์แต่บอกเออสวรรค์ชั้นนั้นเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะกลับมาบอกเมืองมนุษย์มาบอกให้พวกเราเออสวรรค์ชั้นนั้นนะพี่น้องของโยมนะ ไปอยู่เดือนนี้ไปอยู่ชั้นสวรคงชั้นนั้นชั้นนี้ น, น, นนะเขาทำกรรมอันนั้นเขาจึงได้ไปอยู่ที่นู่ น, นเนี่ยเขาบอกข่าวมาเนี่ยเขาแจ้งข่าวมานะนก็ทําให้ศรัทธาญาติโยมในยุคตันสมัยนั้นเคารพนับถือเลื่อมใสพระโมกขลาอจากนั้นพวกที่อิจฉาทีนี่ยมันก็มีนี่นี่อิจฉานี่ก็คือพวกนอกศาสนาเขาก็ลงขันกันจ้างอโจนผู้ร้าย ที่จะมาฆ่าพระโมกคลานะถ้าว่าไม่ฆ่าพระโมกคลาฉนันไม่ไม่แล้วหรอกศาสนาของเราคงจะงอกเงยไม่ได้พระโมกคลาในครอบงำแล้วก็ลงขันกันพอลงขันก็จ้างพวกนักเลงพวกโจลผู้ร้ายที่เป็นนักเลงในยุคสมัยนั้นก็โจลห้าร้อยเหมือนกันนะโจลห้าร้อยเขาจ้างเสร็แล้วพวกเดรดถีพวกนอกศาสนาก็จ้างจ้างกับ พวกนั้นกับในเงินกับพยายามอะพยายามฆ่าไปล้อมครั้งหนึ่งประมกกลาเหาะหนีไปล้อมอีกครั้งที่สองไปล้อมกุฏิของท่านนะอยู่ในกุฏิไปล้อมกุฏิของท่านนะขึ้นไปเห็นแต่กุฏิเปล่าพอล้อมครั้งที่สามท่านก่อนพอเหตุอะไรทำไมพวกโยนผู้ร้ายทำไมจึงเบียดเบียนมาจะทำ เอาชีวิตของข้าขนาดนี้เพราะอะไรท่านก็นึกย้อนแต่ตามจริงท่านคงจะนึกย้อนมาดูพอแรงแล้วล่ะเพราะท่านได้เป็นพระอาหารหันต์ขนาดท่านกรรมตัวไหนที่จะพาท่านนิพพานเนี่ยคงจะรู้แต่ก่อนแต่ในท่านพูดเป็นตําราออกมาพอท่านทะลึกชาติได้ทะลึกถึงหนหลังได้ท่านก็บอมชาติทีแล้วเนี่ยเราฆ่าพ่อกับฆ่าแม่ พ่อแม่ตาบอดเราใช้อารมณ์เสียงชั่ววูบเชื่อคนรอบข้างคือเชื่อภรรยาภรรยาไม่พอใจกับพ่อแม่ตาบอดเราก็ขาดความรอบคอบเชื่อพ่อแม่ไอ้เชื่อภรรยาก็เลยได้ฆ่าพ่อแม่จากนั้นมาเราก็ถูกฆ่าตายไม่รู้ว่ากี่กี่กี่พกกี่ชาติพอฆ่าชาตินั้นเราก็ลงเอเวจีมานรก เพราะอนันตเรียกรรมามาทุกข้าติทุกขาาทั้งฆ่าพ่อทั้งฆ่าแม่ด้วยจากนั้กลงอเวจีมานรกพอพ้นจากนรกมาก็ใช้กรรมมาโดยตลอดจากนั้นก็ถูกฆ่ามาตลอดตลอดมาทุกพบทุกชาติหลา ย, ลายชาติเรียงลาดับามาชาตินี้ก่อนนี้ไม่พ้นอีกแล้วทั้งที่เราจะได้ทา เราได้ชำเห็จเป็นพระรหารแล้วแต่หนีกรรมไม่พ้นแหละทั้งมีอิทธิฤทธิ์ด้วยพอในสุดโจรขึ้นมาแนละ้วท่านก็ไม่หนีเนะพราะตังตองใช้กรรมขึ้นมาเขาก็จับมาก็ค้อนทบนะอพอค้อนทบเสร็จแล้วก็เขาก็ลากลงไปออกจากกุฏิทิ้งไว้ในพุ่มไม้จากนั้นโจรนวก็เขาก็แห่หนีกันไปฆ่าแล้ว จากนั้นเขาก็ได้ไปรับรางวัลจากผู้ที่ให้ที่ให้ค้างอีกคงจะให้สองขยักมั้งให้ครั้งหนึ่งก็ให้ให้ปเตรียมการให้ครั้งสองไปว่าให้สําเร็จแล้วนะทํางานสําเร็จแล้วคงจะให้อีกลนะักษณะอย่างนั้นนะ่ะจากนั้นพระโมกขาลาท่านกับท่านเป็นผู้มีฤทธิ์ถึงธาตุขันร่างกายของท่านจะแตกกระจุยกระจายท่านกับประสานประสาน ร, ร่างกาย ให้เป็นหนึ่งเพราะว่าเรายังไม่ได้กราบลาพระพุทธเจ้าตามที่จิงพระอั克拉สาวกหรือพระอรหันต์ก่อนที่จะปรินิพานจะต้องกราบลาพระพุทธเจ้าก่อนจึงจะปรินิพานอันนี้เรายังไม่ได้กราบลาพระพุทธองค์ยังไม่ได้กราบลาพระพุทธเจ้าเลยเราควรจะไปกราบลาท่านก่อนท่านจึงใช้อิทธิฤทธิประสานกายให้เป็นหนึ่ง ให้ปกติเลยนี่แหละหมอทุกวันให้เขาใช้คาถาปรโมกขลาเนี่ยเป็นภาษามาลีบ่นหมุมหมอบุมหมอบมุอบแล้วกระเป๋าเสกคาถาจอดกระดูกจอดเออที่มันแตกมันหักน่ะเขาคาถาพโมกขลาประสานกายแต่หลวงพ่อก็ไม่ได้เรียนเอาคาถาท่านอย่างนั้นนะับประสานกายเป็นตัวของท่านไปกราบพระพุทธเจ้าบอกกราบพระองค์ โมกขะลากราบทูลพระพุทธเจ้าว่าข้าพระองค์จะลาปรินิพานเพราะว่าถึงข่าวและโจรได้ทําร้ายทาลายข้าพระองค์ที่กาลศิลาแขวงราชคือพระพุทธองค์ก็บอกอึงไปตามการอันควรเถอะเธอณโมกขลาไปตามการอันควรของเธอเถ น, นะโมกขลากระผมแต่ก่อนที่จะ อ น, นิพานนั้นให้ให้เธอแสดงอิทธิฤทธิ์หรือว่าบอกบุพกรรมกรรมดีและกรรมชั่วที่ทำในอดีตให้แก่น้องอ ง, องฟังซะก่อนยังค่อยไปครับผมจากนั้นพระโมกขลากราบพุทธองค์พกอกราบเสร็จแล้วก็แสดงอิทธิฤทธิ์ห่อขึ้นไปบนเพียงเท่าต้นตาลเพียงปลายตาล แล้วเกิดขึ้นไปอีกสองขั้วตนตาลสามขั้วตนตาล ส, ส, สามครั้งจากน้นประกาศประกาศทำแปลว่าข้าพเจ้าได้สําเร็จมรรคสาเร็จผลเป็นอั克拉สาวกในคราวนี้เพราะบุปพกรรมอันไหนได้ทําความดีอันไหนไว้ในอดีตจึงได้มาเป็นเป็นอ克拉สาวกที่เป็นจุดเด่นที่สุดที่ตั้งความปรารถนาในคราวนัน้นนี่ท่านก็ประกาศจากนั้นท่านก็ ลาพระธองค์ไปกลับไปไ ป, ไปพอไปถึงที่ท่านก็วางทิ้งพลวะออพอไปถึงที่ทัานก็วางทิ้งเหมือนโจรฆ่ายังไงโจรทํำยังไงก็ลักษณะอย่างนั้นจากนั้นก็เข้าท่านก็เข้าสู่นิพพานร่างกายสังขารนั้นก็ทิ้งไว้ปกติแต่ความบริสุดของท่านน่ะไปเข้าสู่นิพพานจากนั้นก็ชาวบ้าน ประชาชนทั้งหลายก็โจดขานกันว่าพระโมกคลาถูกโจมค่าจนได้ยินไปถึงพระเจ้าอา ช, ชาติศัตรูที่เป็นลูกชายของพระเจ้าพิมพิสารอ้าวทาไมถึงฆ่าพระถึงขนาดนั้นทําไมเพราะเอ็ดไล่เนี่ยจานะก็ท่านก็ใช้พวกตำรวจสันติบาลออกสืบทุกหัวละแห่งผลที่สุดพวกโจรผู้ร้ายเท่านั้นก็มันบาปกรรมมันมีแอบบาปกรรมมันปิดปากไม่อยู่ พอเอาเงินที่ได้มาเด้ไปซื้อเหล้ากินเหล้านะเนี่ยนะเป็นกุญแจสำคัญบอกความชั่วของคนไม่ยุคไม่ยุคนั้นสมัยนี้คนกินเหล้ามันปากโป้งเนะี่ยพอกินเหล้าเข้าไปเลยคนหนึ่งก็เทปคนหนึ่งเตะคนหนึ่งไอ้ข้านี่แหละลงมือก่อนวะโมกพโมกขลาจึงได้มาได้เงินมาขนาดนี้ คนทั่วไปก็เลยอวดชักดาการตำรวจเห็นแล้วก็รวบทั้งหมดรวบทั้งผู้จ้างรวบทั้งผู้ฆ่าจากนั้นก็นโทษประหารทั้งหมดโทษประหารที่ฆ่าพระโมกขลานี่แหละคือเท่พูดให้ฟังทั้งหมดนี้สรุปแล้วก็คือพระโมคกคลาเป็นพระอรหันต์เป็นผู้มีอิทธิเลศ แต่ก็ไม่เหนือกรรมกรรมคือการกระทําในอดีตที่ท่านได้ฆ่าพ่อฆ่าแม่ตัว น, นั้นน่ะท่านก็ได้รับกรรมแต่เมื่อต่อไปทํำยังไงนีเมื่อท่านเข้าสู่นิพพานแล้วนะก็ต้องโอโห่สิกรรมอโห่สิกรรมคือกรรมให้ผลสําเร็จถึงจะไม่สําเร็จหรือไม่สําเร็จก็เหมือนกับพระโมคคลาท่านนั่งเรือลงข้ามฟากมหาสมุทรกรรม คือการกระทํามันอยู่ในในใ น, ในโล ก, กธาตุนี่ว่างั้นกรรมโลกรูปรโลกอรูปรโลกมันอยู่ในนี้มันไม่สามารถที่จะตามเข้าสู่นิพพานได้นิพพานในี่หมาว่าเป็นอีกมิติหนึ่งนอกเหนือจากโล ก, กธาตุเพราะฉะนั้นกรรมตานี้เหมือนกระพมกคลาฆ่าหมหาสมุทรไปอีกฝากฝั่งหนึ่งกรรมตานี้ก็วิ่งวนอยู่ใน ในเมืองมนุษย์ในในวัตฏในวัฏฏะสงสารเนี่ยมันไม่ออกจากวัตตะไปได้กรรมแต่พระโมคคัลานออกจากวัตตะไปแล้วกรรมกรรมนึ่ตามไม่ทันนกรรมที่จะทำจะให้จะให้โทษอีกไม่ทันตามไม่ทันไม่รู้จะไปที่ไหนผลที่ฉุดกรรมแต่เนี่ก็เลยหมดหมดกาลังหมดแรงก็จบเรียกว่าเอาหัวีกรรมแปลว่ากรรมตามไม่ถึง ส่วนความริุ่ทธิ์ของพระโมกขาลานั้นไปแล้ว น, ะนี่แหละพระพุทธองค์จึงบอกว่ากรรมคือการกระทำอย่าไปทำกรรมชั่วถ้าใครเขาทำทำก็ดีในขณะที่ทำไม่รู้ว่าตัวเองทำแต่เมื่อทำไปแล้วกรรมชั่วนั่นจะให้ผลเหมือนกเรานึกโมโหแก่ใครเราปืนไปยิงเขาในขณะที่ยิงเราก็ไม่ได้คิดไม่ได้คิดมาก โมโหแต่พอจริงเสร็จแล้วนะ่ะนตำรวจไล่จับตะคบแล้ยท่านนอยหัววิ่งหัวสุกหัวซุนหลบใช้หลบขวาหลบหน้าหลบหลังมิ่งเบ่งเหนือลงใต้อแต่ว่ากรรมแต่นี่มันเหนือกว่าตำรวจตำรวจมันยังยังเชิงเชิงชาอยู่ยงั้นนะกรรมแต่นี้มันมันวิ่งเหมือนกับไอพ่นจับลวดไล่ไอไอพ่นนะงั้นเธอลูกกระสุน ไล่ไอ้พนะ่นจี้ตลอดเนะีอยผลวในสุดกันนะ่ะอชนจนได้อันนี้กรรมคือการกระทําตัวเนี้ยไล่จี้ตลอดเนะ่ยผลในสุดเมื่อทันเข้าไปก็ให้ผลนะเหมือนกับตารวจนะเมื่อจับทันเข้ามาก็จับเข้าคุกในเมืองมนุษยนะ์นแต่เมืองผีนะ่นอีกอย่างหนึ่งจะต้องรออีกจะต้องรอลงโทษอีกรอบรอบที่สองนะอันในเรือเมืองมนุษย์ ให้โทษแต่ร่างกายจับให้โทษแต่ร่างกายแต่ส่วนเมืองผีนะให้โทษทางใจคือตัวนามพระธรรมตัวนั้นนะ่ะตัวคิดเนะี่ยอสรุปแล้วก็คือในเมืองมนุษย์เนี่ยเอจับได้แต่ลถว่าะงั้นเถอะจับได้แต่ลดลถไปขังนะแต่เมืองมนุษย์เมืองผนะีจับโซเฟอร์อนอะจับโซเฟอร์ไปให้ไปลงโทษนะทําไมจึงคิดอย่างนั้นทำไมจึงทําอย่างนี้ เมืองเมืองอมนุษย์เมืองผีจับตัวใจไปลงโทษโทษโทษตอนนั้นก็นมันก็ทุกทุกเหมือนกันพอให้โทษตกนรกหมกไหมนี่แหละอันนี้ก็คือพระพุทธองค์ท่านรู้ได้อย่างไรท่านบอกว่าจุตูปปตาตญาณการจุติของสปปรรพสัตว์ทั้งหลายเป็นไปด้วยกรรมกรรมคือการกระทำ ทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเพราะนั้นอย่าทำกรรมที่มันชั่วให้กรรมแต่กรรมดีท่านจึงยกเป็นพระบาลีโอ้อกตังตุ ก, กตังเสยโยนะความชั่วจะทำเเลยดีกว่าเพราะความชั่วเมื่อทำแล้วจะทำให้ตนเองเดือดร้อนเมื่อภายหลังทำแต่กรรมดีนี่แหละททนี้ก่อนที่จะทำกรรมดีจุดนี้ได้นะ มันจะต้องในรับการอบรมเป็ น, ปนระเป็นระยะหรือเป็นขั้นตอนของการการอบรมเหมือนกันแต่ถ้าว่าพวกเราคิดขึ้นมาแล้วกัจะเอาชนะใจตนเองขึ้นมาได้อย่างเดียวมันก็ยากเหมือนกันแต่ถ้าว่าเราได้ศึกษาตามแนวแถวของพระพุทธศาสนา ร, รมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วพระพุทธองค์ท่านทำอย่างไรท่านจึงจะเอาชนะที่ท่านอบรมใจของท่าน ใจอภิรมของพระไทยและใจของท่านได้ท่านหัวนั่งสมาธิเนะนี่แหละตัวนั่งสมาธิตัวนี้นะคือพยายามรวบรวมสติสติสัมปชัญญะควบคุมควบคุมใจควบคุมตัวผู้รู้ตัวเนี้ยควบคุมสัเฟอรนะ์จะเอาอะไรมาควบคุมต้องเอาสติสติสัมปชัญญนะเมื่อควบคุมสติควบคุมใจได้แล้วท่า เอออันไหนอันไหนผิดอันไหนถูกอันไหนควรไม่ควรถ้ามีสิ่ง เ, เปรียบเปียบเทียบเมื่ อ, อรเราเมื่อเราได้ศึกษาธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าเลยทเอาธรรมะธรรมคำสอนของพระพุทธญาตอกกฎเกณฑ์เอากดรละเบียบเข้ามาเปรียบเทียบถ้าทําอย่างนั้นผิดนะทําอย่างนั้นคิดอย่างนั้นผิดนะการทําอย่างนี้นถูกนะผิดถูกเนี่ยจะรู้ได้เลเพราะว่าเรามีสติแล้วแต่ในช่วงนั้น เมื่อเราขาดสติมันลังไม่อยู่เหมือนกับช้างตกมันอย่างนั้นช้างตกมันไม่รู้มันคิดอะไรกระทั่งเจ้าของมันก็ฆ่าได้เพราะอะไรเพราะมันขาดสติแต่เมื่อเมือมันมีสติแล้วมันก็รู้ว่าอันไหนเป็นอันไหนสิ่งควรไม่ควรนี่แหละเพราะพรุทธเจ้าท่านให้มีการฝึกสติเมื่อฝึกสติดีแล้วจะรู้จักสิ่งที่ดีและสิ่งที่ชั่วควรทำจึงไหน ควรไม่ไม่ควรทำสิ่งสิงไหนก็รู้ได้ในขณะนั้นจากนั้นก็รู้ไปเรื่อยๆปรับปรุงแก้ไขไปเรื่อยๆเนีท่านว่าใจนี่แหละที่เป็นพระอริยะบุคคลพระโสดาพระสกทาขาพานาคาพระอรหันต์ไม่ใช่กายใจคือตัวผู้รู้นมามธรรมน่ะตัวนมามธรรมที่มองไม่เห็นนั่นน่ะตัวท่านหล่ะที่จะได้สําเร็จเป็นมกักสําเร็จมกักสําเร็จผล แต่ส่วนร่างกายเป็นผลพลอยได้ท่านเองเมื่อใจสําเร็จแล้วร่างกายนี่ยก็เป็นเป็นพระหันอย่างพระพุทธเจ้าพระไทยของพระพุทองค์ได้ตัดสรู้เป็นพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเมื่อพระไทยของท่านได้ตัดสรู้แล้วกายของท่านก็ได้เป็นพระพุทธเจ้าต้นโพนี่ก็เป็นต้นโพที่พระพุทธเจ้าได้ตัดสรู้ไปที่ไหนก็เป็นบริษัทบริวาร ของพระพุทธเจ้าทั้งหมดนะพเพราะอะไรใจอย่างเดียวใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้าสําเร็จแล้วด้วยใจเพราะฉะนั้นหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าท่านให้เน้นเรื่องของใจใจเป็นใหญ่เพนั้นพวกเราคณะจตห า, ายาจุมลูกหลานทุกคนนะให้สํารวมให้ระวังอย่าตั้งอยู่ในความประมาทตายแล้วไม่สูญตายแล้วเกิดอีกอย่ น, นความดีความชั่วมีอย่างที่พระโมกคราที่ท่านได้ทําไว้ ใ น, ในพระไตรปิฎกถ้าพวกเราอยากจะรู้ว่าแบบตายแล้วเกิดแล้วตายแล้วสูญนะอย่าไปมัวเมียคิดเดาเอาคาดคะเนเอาคาดไปเมื่อกคาดผิดคาดถูกไปอย่างนั้นละอยากจะรู้จริงให้นั่งภาวนาทําจิตใจให้สงบเมื่อจิตใจสงบรวมลงเป็นหนึ่งแล้วนะจิตใจลงเป็นหนึ่งแล้วจะรู้ได้ด้วยตนเองว่ากายกับใจเนะี่ยไม่ใช่อันหนึ่งอันเดียวกันแยกกัน ตีหลวงพ่อเปรียบเทียบรถกับคนขับรถนั่นเห็นได้ชัดนะเพราะนั้นตัวใจนะั่นนะพระพุทธเจ้าให้ความสําคัญให้ความสําคัญโซเฟอร์มากกว่ารถหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าว่าใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้ากระใจก็คือโซเฟอร์นะั่นนะเปรียบเทียบให้เห็นชัดๆนะเพราะนั้นหลักธรรมคาสอนที่พวกเราได้อบรมได้มาศึกษาเนะี่ยท่านนั่นให้อบรมใจ ถ้าใจดีเช่อย่างใจมีเหตุใจมีหตสิ่งไหนดีสิ่งไห น, นชั่วสิ่งไหนควรพูดควรคิดควรทำจะรู้ได้ด้วยตนเองถ้าคนมีธรรมในใจนะตอใ น, นไปคณะสงฆ์จะอนุโมทนาให้พร